ถามในคำพีกล่าวว่าพระโพธิสัตว์มักกำหนดจิตเคลื่อนจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็น่าจะเท่ากับค่าตัวตายอย่างนี้ไม่เป็นบาปราบหรอกเือครับขอให้พิจารณาว่าเทวดาโพธิสัตว์ท่านตั้งใจลงมาทำประโยชน์ไม่ได้อยากหนีสวรรค์ด้วยความโกรธเกลียดภาวะของตนแล้วก็ไม่ใช่โลภหวังลงมาสวยสุข หากเปรียบแล้วก็คงประมาณแพทย์ใหญ่ฐานะมั่งคั่งมีข้ารือหาดมีเบนมีชื่อเสียงเกียรติยศคิดสละสมบัติทั้งหมดไปบำเพ็ญประโยชน์รักษาคนไข้แถวบ้านนอกที่แรนแค้นหาความสบายมิได้การละจากที่สูงลงมาหาที่ต่ำนั้นเป็นเรื่องง่ายอย่างตอนนี้ถ้าคุณเอามีดจิ้มพุงด้วยความคิดอยากไปเกิดใหม่เป็นลิงกรรมจะจัดสรรให้คุณได้เข้าท้องลิงทันที เพราะสภาพของลิงต่ำกว่าทำประโยชน์อะไรไม่ได้ประกอบกิจอันเป็นกุศลยากจะฝึกฝนอะไรก็ต้องมีมนุษย์ที่ฉลาดกว่ามาฝึกให้และจะเรียนรู้พัฒนาจิตใจเพื่อดับทุกขังใจให้สนิทก็หมดสิทธิ์ฉนั้นจิตคุณต้องไม่ปกติแน่ๆถ้าเป็นมนุษย์ดีๆไม่ชอบชอบไปเกิดเป็นลิงจิตที่ไม่ปกตินั่นเองคือจิตที่ประกอบด้วยโมหะหรือความหลงเข่าหนาแน่น ไม่ชอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ฝากใยสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรนหาที่รนหาทุกได้อย่างนั้นธรรมชาติก็ไม่ห้ามและอนุญาตให้เป็นไปตามประสงค์ทันทีแต่การละสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ถือเป็นการเสียสละความสุขสบายอย่างล้นเหลือลงมาหาความทุกข์โดยมีสติปัญญาพิจารณาเห็นความจริงแล้วว่าสวยสวรรค์ทาให้เพลินเปล่าเสียเวลาเปล่า สู้มาบำเพ็ญบารมีเพิ่มในโลกมนุษย์ไม่ได้เป็นประโยชน์สุขทางใจสำหรับตนแล้วก็เป็นประโยชน์สุขอย่างใหญ่สำหรับมหาชนได้อีกมากเหล่าโพธิสัตว์มักรู้ตัวว่าตนเองมีกำลังที่จะสร้างสุขให้กับโลกได้กว้างขวางประมาณไหนเมื่อเล็งเห็นแล้วก็ไม่รีรอที่จะลงมาทำให้เกิดขึ้นจริงสมกับนิสัยเดิมที่ชอบช่วยคนมาหลายภพหลายชาติ ธรรมชาติกรรมเก่าจะเป็นตัวกำหนดว่ามีสิทธิ์มาเข้าท้องใครและต้องหลงลืมอดีตไม่รู้เรื่องกรรมวิบากเหมือนมนุษย์เดินดินทั่วไปมีทุนมากกว่าคนอื่นหน่อยก็แค่ตรงที่โดยพื้นจิตพื้นใจจะผูกไว้กับความดีงามอยากให้ตนเองมีค่ามีประโยชน์กับโลกไม่เห็นต้นเห็นปลายตลอดสายเช่นนี้คุณคงหายข้องใจนะครับว่าการฆ่าตัวตายของเทวดาเป็นบุญหรือเป็นบาป